จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เจ็ดกุมภาพันพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวัสวันเติมบุญบารมี แสงสว่างให้แก่ชีวิตเพราะชีวิตของเรานี้เป็นผู้เดินทางไกลผู้ที่จะต้องจอดแวะตามจุดต่างๆคือตามสถานีบริการต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปขับรถยนต์ เดินทางไปได้ระยะหนึ่งก็ต้องหยุดเติมน้ำมันเติมน้ำตรวจสอบสภาพรถยนต์ตรวจดูแผนที่ดูทางว่าไปถูกทางหรือไปไม่ถูกทางถ้าเราไม่แวะเลยไม่จอดเลยเดี๋ยวก็ต้องไปตายกลางทางเพราะน้ามันหมดบ้างน้ำแห้งบ้างหลงทางบ้าง แบตเตอรี่ uh, ไฟหมดไฟดับ mm. ถ้าเราคอยว้ดอยู่เรื่อยๆคอยเติมน้ำมันเติมน้ำตรวจสอบสภาพรถยนต์ตรวจสอบทิศทางที่เราเดินทางไปว่าเราไปถูกทางหรือไม่ mm. การเดินทางของเรา mm. ก็จะไปได้โดยสวัสดิภาพ ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาไปกันได้ชีวิตของพวกเราก็เป็นการเดินทางเช่นเดียวกันเราเดินทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือบ้านของเราบ้านที่แท้จริงบ้านที่ถาวรตอนนี้เราได้แต่บ้านชั่วคราวบ้านไม่ถาวรก็คือ ภพของเราชาติของเรานี้เป็นภพชาติที่ชั่วคราวเช่นภพนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอยู่ได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปก็ต้องย้ายบ้านใหม่หาบ้านใหม่ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักทาง ที่จะพาให้เราไปสู่ที่บ้านของเราได้บ้านที่ถาวรของเราได้เราก็จะได้แต่บ้านชั่วคราวไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันเส้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้จักทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่บ้านที่ถาวร ที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันบ้านที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปบ้านที่มีแต่บรมีสุขคือปรมีสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีเสื่อมเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา อย่างความสุขที่พวกเรามีกันในขณะนี้เป็นความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็เร็วก็จะเป็นจะต้องมีการเสื่อมมีการสูญสิ้นไปนั่นเองเวลาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเสื่อมลงไปสูญสิ้นไป เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราจะต้องพบกับความทุกข์เช่นตอนนี้เรามีอะไรให้ความสุขกับเราเราก็มีลาบมียศมี ส, สรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโอสพะมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายไว้คอยเสคอยสัมผัสกับความสุขจากสิ่งเหล่านี้แต่เวลาที่ สิ่งเหล่านี้มีการเสื่อมไปเช่นมีการเสื่อมล่าเสือ่อมยศเสือส่อมสรรเสริญเสือเส่อมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเวลาเจ็บคข้งได้ป่วยไม่สบายปิกลพิการเวลานั้นจะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโอทภะได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ เข้ามาให้เราได้เสพได้สัมผัสกันนี่คือการเดินทางของพวกเราเดินทางกี่ครั้งก็จะเดินเข้าหาความทุกข์ทุกทั้งไปเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทางนั่นเองเดินไปทีไรก็มักจะเดินไปหากองทุกข์กันมองเดินไปหากองเกิดแก่เจ็บตายกัน พอเกิดแล้วก็มาเดินเข้าหาล่ากยศสรรเสริญหาความสุขทาตาหูจมูกลื่นกายกันทำอย่างนี้จนติดเป็นนิสัยทำกี่ครั้งกี่รอบก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะบอกให้เราให้รู้ว่าทางที่เรากำลังเดินไปนี้ เป็นทางที่เดินไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปทางที่เดินไปสู่ความสุขไม่ใช่เป็นทางที่จะนำพาเรากลับไปบ้านของเราแต่เป็นการเดินทางไปสู่บ้านชั่วคราวบ้านที่เราจะได้มาและต้องสูญเสียไปคือร่างกายแต่ละร่างที่เราได้มานี้ทุกครั้งที่เราได้มาเราก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาแก่เป็นอย่างไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาตายเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันแต่เป็นสิ่งที่เราเดินเข้าหากันเพราะความมืดบอดของเราเราไม่มีแผนที่เราไม่จอดแวะตามสถานีบริการเพื่อตรวจสอบดูทางของเราว่า เรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนสถานีบริการที่พวกเราควรจะแวะเข้าเพื่อที่จะได้เติมน้ำมันเติมน้ำตรวจสอบสภาพรถยนต์ตรวจสอบเส้นทางเดินทางของเราว่าเราไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการเดินทางของพวกเราถ้าพวกเราต้องการที่จะเดินทางไปถึงบ้านที่ไม่มีการเสื่อมไม่มีการหดถ้าเราต้องการเดินทางไปสู่พบที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้อง เข้าหาพระพุทธศาสนามาเติมบุญเติมบารมีเติมน้ํามันเติมน้ําเติมแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราน้ํามันของพวกเราคืออะไรก็คือทานบารมีการทําทานก็คือการให้แบ่งปันให้ความสุขแก่ผู้อื่น เรามีความสุขเหลือเฟือเหลือล้นเราเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราไม่เป็นความสุขกับเรากลับจะเป็นโทษกับเราเพราะจะทำให้เราต้องมีภาระคอยดูแลรักษาถ้าเรามีมากเกินไปต่อความต้องการของชีวิตของร่างกายของเรา เราก็ควรจะนำเอาไปแบ่งปันกันเอาไปทำทานกันการทำทานนี้เป็นการให้อาหารแก่ใจหรือเป็นการเติมน้ำมันให้แก่ชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้เดินทางต่อไปได้อย่างราบรื่นอย่างสุขอย่างสบายขอให้เราหมั่นทำทานกันอยู่สม่าเสมอ มีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำถ้าไม่ทำก็จะไม่มีความอิ่มหนำสำราญใจแต่ก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ถ้าเราเติมน้ามันชนิดที่สองก็คือศีลศีล น, นี้จะพาให้เราไปในทางที่เราอยากจะไปกัน จะไม่พาเราไปในทางที่เราไม่ต้องการจะไปกันทางที่เราต้องการจะไปก็คือสุขติสุขติก็คือภพของเทวดาภพของพรหมภพของพระอาริยรบุคคลขั้นต่างๆถ้าเรารักษาศิ่งได้เราก็จะไปสู่ภพของเทวดาสู่ภพของพรหม สู่พบของพระอริยเจ้าทั้งหลายจนถึงพระนิพพานในที่สุดได้แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะไปสู่อบายพบที่เราไม่ปรารถนาไปกันก็คือพบของเดรัจฉานพบของเปรตพบของอสุรกายพบของนารกแต่ถ้าเรา ไม่รักษาศีลมันก็จะต้องไปจะชอบไม่ชอบจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปหรือไม่ไปเหตุที่จะทำให้เราไปก็คือการทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาถ้าทำบาปเหล่านี้แล้ว จะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะมันเป็นเหตุเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกข้าวผลก็ที่จะได้รับก็ต้องเป็นรวงข้าวจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะอยากได้อย่างอื่นก็ไม่ได้อยากได้ส้มอยากได้กล้วยแต่ไปปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวมา อยากได้อะไรก็ต้องปลูกอย่างนั้นถึงจะได้สิ่งที่เราได้กัอยากได้กันถ้าอยากไปสุขคติอยากไปเป็นเทพเป็นพรมไปเป็นพระอริยบุคคลต่างๆก็ต้องรักษาศีลให้ได้นี่คือศีลบาลีที่เราควรจะทำกันควรจะรักษาศีลให้ได้ทุกวัน เพราะถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วเวลาตายไปถ้าเราไม่มีบุญอย่างอื่นมาช่วยศีลการทำบาปนี้ก็จะลาบให้เราไปสู่อบายทันทีแล้วก็วันพระนี้เราก็มาเติมศีลพิเศษคือศีลแปดวันธรรมดาเราก็ทือศีล5้าเรียกว่าศีลบารเม วันพระเรามาถือศีลแปลเรียกว่าเนคขมมะบา ร, รมีเนคขมมะนี่แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองคือวันนี้จะไม่หาความสุขจากลูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเช่นจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีข้อเขต รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ตายรับรองได้แล้วก็ไม่หิวด้วยความหิวอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าเกิดความหิวทางใจเราก็มาปฏิบัติธรรมกันมาทำใจให้เป็นอุเบกขากันเราก็จะหายจากความหิวได้ ดังนั้นวันพระพรุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัพพุทธศาสนิกชนมาเจริญเนธขัง ม, มะบาลมีกับอุเบกขาบาลมีกันต้องทำคู่กันถ้าไม่มีอุเบกขาบาลมีก็จะทนกับการอดอาหารตอนกลางคืนไม่ได้ทนกับการที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ แต่ถ้ามีอุเบกขาบารณีก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะมีความสุขจะมีความอิ่มมีความพอในใจจะทำให้ไม่รู้สึกหิวในตอนค่ำตอนเย็นจะมีจะทำให้ไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครดังนั้นเราต้องมาถือ เลขขมมะบารมีกันด้วยการถือสิงประละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังที่งวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากหมหรสพบันเทิงต่างๆเช่นภาพยนตร์ละครร้องลำทำเพลงแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่วิจิตรพิสดาร เสื้อผ้าที่สวยสดงดงามแล้วก็ใช้เครื่องสำอางน้ำหอมน้ำมันมาเสริมความสวยความงามของร่างกายเป็นการกระทำที่ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวเดียวๆพอไม่นานพอร่างกายเหงื่อแตกก็จะส่งกลิ่นเหม็นออกมา เครื่องสำอางที่โปะไว้ใบโน่องใบหน้าก็จะจางหายไปดังนั้นอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะจะเหนื่อยไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องแพ้วัยชราในที่สุดเมื่อถึงวัยที่ไม่สามารถที่จะเสริมความงามได้ขอให้เรามาเสริมความงามทางจิตใจดีกว่า คนเรานี้น่ารักที่ใจไม่ใช่น่ารักที่ร่างกายร่างกายนี้ต่อให้สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าใจไม่สวยงามก็จะไม่เป็นที่น่ารักไม่มีใครอยากที่จะอยู่กับคนที่ใจไม่สวยงามใจไม่สวยงามเป็นอย่างไรก็คือใจบาสนี่ ใจที่ข่ารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงนี้เป็นใจที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถึงแม้จะมีหน้าตาสวยงามถึงแม้จะเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยน้ำหอมด้วยน้ำมันด้วยเสื้อผ้าที่สวยสดงดงามวิจิตรพิสดารแต่จะไม่สามารถ ทำให้ใจทำให้ผู้อื่นชื่นชมยินดีได้ถ้าใจไม่งามใจไม่สวยดังนั้นสู้มีใจที่สวยแล้วร่างกายไม่สวยจะดีกว่าร่างกายไม่สวยแต่ใจสวยก็จะเป็นที่รื่นรักเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นเช่นพระภิกษุท่านก็ไม่มีผมเผ้าอะไร ไม่มีเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ไม่วิจิตพิสดารแต่ท่านมีสีท่านจึงสวยทางใจไม่สวยทางร่างกายแต่ท่านกลับมีคนชื่นชมยินดีมีคนที่ชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะท่านเป็นผู้ที่สวยที่แท้จริงถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สวยงามอย่างแท้จริง เราก็ต้องสวยด้วยใจสวยด้วยสีสวยด้วยสีหน้าสวยด้วยสีแปดถ้าเรามีสีหน้าสีแปดเราจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเผ่ามีผมไม่ได้มีเครื่องสมอางไว้คอยเสริมความงามไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยสวยดงดงามไว้สวมใส่ แต่เราจะเป็นที่รักที่ชอบของผู้อเพราะเราสวยทางใจนั่นเองดังนั้นวันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาสวยทางใจกันสวยได้การรักษาสีห้าสวยด้วยการรักษาสีแปแล้วก็ถ้ารักษาสีแปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาหนาไม่หาความสุขจากการหลับนอน ใช้การหลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้นอนบนฟูกหนาก็ได้นอนบนพื้นแข็งก็ได้เวลาร่างกายออกเพลียอยากจะพักผ่อนนอนที่ไหนก็หลับเหมือนกันแล้วก็จะหลับไม่นานหลับพอประมาณพอร่างกายได้พักผ่อน 4-5 ชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมา ก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลามาสร้างความสุขทางใจมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์ก็จะไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำก็จะไม่ได้สร้างเมตธรรมะสร้างอุเบกขาบารมีขึ้นมาอุเบกขาบาลมีนี้เป็นบารามีที่สำคัญอย่างมากต่อจิตใจเพราะถ้ามีอุเบกขาแล้ว ใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดรอ้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตัวเราหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็ตามเวลาเกิดขึ้นมาจะไม่ทำให้เราวุ่นวายใจทำให้ทาให้เราเครียด <c oughs> จะทาไม่ให้ไม่ทำให้เราทุกข์ใจแต่อย่างใดเพราะใจของเรามีอุเบกขามีความนิ่งความสงบ เราใจที่มีความอุเบกขานี่จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขาจะมีความโลภความโกรธความหลงเวลาเห็นอะไรก็จะโลภทันทีจะโกรธทันทีเวลาได้ยินอะไรก็จะโกรธทันทีจะโลภทันทีแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วจะรู้สึกเฉย จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่ก็เฉยๆเวลาเห็นสีสะมมีผมสีขาวก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเห็นหนังเหี่ยวใบหน้าเหี่ยวย่นก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนพัวใจมีอุเบกขา วางเฉยปล่อยวางได้นั่นเองการที่จะทำใจให้มีอุบเบกขาได้ก็จำเป็นจะต้องมีสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้นิ่งให้สงบใจนี้เป็นเหมือนลิงเวลาเราจะจับลิงเข้ากรงให้อยู่เฉยๆเราต้องมีเชือกมัดค อ, อยุงเอาไว้แล้วก็ลากมันเข้าไปในกรง แต่ถ้าเราไม่มีเชือกตามไล่จับลิงนี้ไล่ไปทั้งวันก็ไม่มีวันที่จะจับลิงได้เพราะมันัวกว่าเรานั่นเองดังนั้นใจของเราก็เหมือนลิงที่ไม่ยอมอยู่เฉยเฉยชอบคิดอยู่เรื่อยเปือ่อยคิดไปได้ทั้งวันคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาตีใจบ้างเสียใจบ้างหงุดหงิดลำคาใจบ้าง ว่าวุ่นขุน ม, มัวบ้างดีอกดีใจบ้างอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการคิดอยู่เรื่อยเปื่อยถ้าต้องการใจให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้เป็นอุบเบกขาให้ปล่อยวางก็จำเป็นจะต้องจับลินจับใจนี้เข้ากรงให้านากรงของใจก็คือสมาธิ ผู้ที่จะดึงใจเข้าสู่สมาธิได้ก็คือสตินี้เองสติเป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจให้เข้าสู่กรงคือสมาธิดังนั้นก่อนที่เราจะทำใจให้สงบก่อนที่จะนั่งสมาธิได้เราต้องหาเชือกมาเส้นหนึ่งเชือกก็คือสติสตินี้คืออะไรก็คือการควบคุมใจบังคับใจ ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้รู้อยู่กับหลายเรื่องเช่นให้รู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวก็ให้ท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาพอจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทธโธดึงเอาไว้ท่องพุทธโธไปไม่ว่าจะทำอะไรพอลุกจากเตียงขึ้นมาเข้าห้องน้ําก็พุทธโธไป อาบ น, นแต่งตัวก็พุทโทรไปรับประทานอาหารก็พุทโทรไปทำงานทำการก็พุทโทรไปพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทโทรต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาได้พอใจสงบสุยเบกขาแล้วใจก็เย็นสบายไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรต้องการอยู่เฉย พราะอยู่แล้วเป็นสุขนั่นเองทุกวันนี้พวกเราอยู่ไม่เป็นสุขกันให้อยู่เฉยๆกับอยู่ไม่ได้กับเครียดขึ้นมากับทุกข์ขึ้นมาเพราะใจไม่มีอุเบกขามีแต่ความว้าวุ่นขุ่นัวมีแต่ความหิวความอยากความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แตถ้าทำใจให้มีอุเบกขาแล้วจะอยู่เฉยๆได้จะมีความสุขไม่ต้องเหนื่อยกับการไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนีนงนน้เพราะทำมาแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สุขเหมือนกับการอยู่เฉยๆไม่สุขเหมือนกับการมีอุเบกขานี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ วิธีที่จะรักษาใจให้เป็นอุเบกขาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็คือเราต้องมีปัญญาปัญญานี้จะรู้จักวิธีที่จะรักษาให้อุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้ไม่จางหายไปเพราะปัญญาจะรู้ว่าเหตุที่ทำให้อุเบกขาหายไปก็คือความอยากต่างๆนี่ พอเกิดความอยากถ้าเรามีปัญญาปัญญา ก, ก็จะมาสอนเราว่าอย่าไปอยากอยากแล้วได้ไม่คุ้มเสียจะเสียอุเบกขาไปแล้วสิ่งที่ได้มาก็เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะจางหายไปแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วก็จะต้องไปหาใหม่จะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรายามา่พออยากจะสูบ ก, ก็ต้องหาบุหรี่มาสูบสูบแล้วก็มีความสุขเดียวเดียวเดียวเดียวก็เกิดความอยากจะสูบใหม่ก็ต้องไปหามาสูบใหม่สูบไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็จะตายไปก่อนเวลาอันควรนี่เป็นโทษที่ทำตามความอยากถ้าเรา รู้ด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเราก็ไม่ทำตามเวลาอยากจะสูบก็ไม่สูบเวลาอยากจะดื่มก็ไม่ดื่มพอไม่นานความอยากก็จะหายไปหมดไปร่างกายก็จะปลอดภัยจากพิษของสุราจากพิษของควันบุหรี่ร่างกายก็จะมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจก็จะมีความสุขมีอุเบกขานี่คือปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยว่าความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นเหมือนลูกระเบิดเวลาที่จะมาทำลายชีวิตของเราอย่าเข้ากันถอยห่างออกไปอย่าทำตามอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากมีอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะว่ามันได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดไปเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราได้มาจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอดมีสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คืออุเบกขานี่เองถ้าเรารู้จัก ร, รักษาเราจะมีอุเบกขาไปตลอดถ้าเรามีอุเบกขาไปตลอดเราก็จะเดินทางถึงบ้านของเราก็คือพระนิพพานนี่เอง พาณิ่านก็คืออุเบกขาที่ถาวรนีเองลรมังสุขขังก็คืออุเบกขานี่ไม่ใช่อะไรดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามมาสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้กันสร้างทานบา ร, รมีสร้างศีลบารามีสร้างเนกขังมักบารามีสร้างอุเบกขาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีกันแล้วรับรองได้ว่า เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันก็คือจะได้กลับไปถึงบ้านของเราบ้านที่ปลอดภัยจากการเกิดแก่เจ็บตายบ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาตรั